บทที่ 11. การเจริญวิปัสนาตามความเข้าใจของผู้เขียน 1. การทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของการเจริญวิปัสนาผู้ปฏิบัติธรรมพึงปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมคือพระโสดาบันและพระโสดาบัน คือผู้ที่ทำลายสักกายทิฏฐิหรือความเห็นผิดว่าขันห้าหรือรูปนามหรือกายใจเป็นตัวตนของตนลงได้จะทำลายความเห็นผิดเกี่ยวกับรูปนามก็ต้องมีความเห็นถูกจะมีความเห็นถูกก็ต้องตามรู้ตามเห็นรูปนามไปตามความเป็นจริงของรูปนามโดยไม่มีการดัดแปลงการรับรู้และไม่แทรกแซง หรือดัดแปลงรูปนามด้วยจึงจะเห็นความเป็นจริงได้ว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนของตนกระบวนการตามรู้รูปนามตามความเป็นจริงนี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาแท้จริงการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนะักไม่จำเป็นต้องไปสรรสร้างอุบายวิธีอะไรให้ยุ่งยากเพียงหนึ่ง รู้จักรูปนามและสองมีเครื่องมือสำคัญสองประการคือต้องมีสติระลึกรู้รูปหรือนามที่กำลังปรากฏและต้องมีสัมปชัญญะหรือปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปหรือนามนั้นได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้จะรู้จักรูปนามก็ต้องศึกษาพระปริยติสัจธรรม หรือฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ที่สอนได้ตรงตามพระปริยติสัทธรรมโดยต้องศึกษาหรือฟังด้วยความใส่ใจใคร้ครวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสามารถจำแนกได้ว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราได้แก่รูปธรรมกับนามธรรมชนิดใดบ้างและที่สำคัญมากภายหลังการศึกษาภาคปริยัตก็คือ ต้องหัดสังเกตสภาวะจริงของรูปนามที่กำลังปรากฏให้ได้ด้วยจึงจะสามารถจเจริญวิปัสสนาได้จริงสำหรับสติที่เกิดขึ้นได้เองหากรู้จักหรือจดจำสภาวะของรูปนามได้แม่นยำไม่ใช่จงใจหรือพยายามตั้งสติขึ้นด้วยอำนาจของตันหาส่วนภาวนามย์ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหนึ่ง สัมมาสมาธิหรือธรรมเอกหรือเอโกทิภาวะคือความตั้งมั่นของจิตอันเป็นสภาวะที่จิตไม่หลงไปตามอารมณ์ทางอาญตนะทั้ง6และมีลักษณะเป็นความรู้สึกตัวเป็นเครื่องสนับสนุนจะกล่าวถึงวิธีการสร้างความรู้สึกตัวในหัวข้อถัดไปและมีสองโยนิโสมนสิการ คือการมองรูปนามได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่จะคิดฟุ้งซ่านในธรรมเอาเองตามอำนาจของทิฐิจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติโดยหนึ่งมีสติตามระลึกรู้รูปหรือนามที่กำลังปรากฏจัดเป็นการรู้ทุกซึ่งการรู้รูปนามนั้นให้รู้ด้วยเครื่องมือคือตาหูจมูกลิ้น กายใจธรรมดาธรรมดาซึ่งมีกันอยู่แล้ว 2. ต้องรู้ด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิอันได้แก่จิตที่มีความตั้งมั่นรู้สึกตัวสงบระงับเบาอ่อนควรแก่การงานว่องไวและซื่อตรงปราศจากการครอบงำของตัณหาคือเป็นจิตที่มีสติรู้อารมณ์อย่างเที่ยงธรรม ไม่จะรู้เพราะอยากจะรู้หรือรู้โดยมีการดัดแปลงจิตหรืออารมณ์ให้มีอาการผิดแปลกไปจากธรรมดาและปราศจากการครอบงำของทิฐิคือต้องเจริญปัญญาโดยมีสภาวะธรรมคือรูปนามกายใจเป็นเครื่องรองรับไม่จะเที่ยวคิดนึกพิจารณาทมเอาเองเหมือนฝันกลางอากาศและจะต้องไม่เอาความคิดเห็นสอดแทรกเข้าไปในขั้นการรู้นั้นด้วย และสต้องมีโยนิโสมนสิการเป็นเครื่องกำกับเส้นคือรู้รูปนามได้ตรงมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เช่นรู้ว่ากิจต่อรูปนามคือการรู้ไม่ใช่การละหรือทำอย่างอื่นเมื่อใดไม่ยอมรู้รูปนามหรือรู้แล้วพยายามละรูปนามที่ไม่ดี หรือแม้กระทั่งพยายามรักษารูปนามที่ดีก็ต้องฉเฉลียวใจว่าปฏิบัติผิดไปแล้วและต้องมองให้ตรงมุมเพื่อให้เห็นว่าเราไม่มีมีแต่รูปนามและรูปนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและมีความเกิดดับแล้วตามรู้รูปนามไปจนกว่าจะเกิดปัญญารู้ลักษณะของรูปนามนั้นได้ตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์ และปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามเสียได้จะเห็นได้ว่าการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนะักหากผู้ปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจหลักของการเจริญวิปัสสนาและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงเพราะมีสติสัมมาสมาธิและโยนิโสมนสิการแล้วแม้เดินอยู่ตามถนนหรือนั่งอยู่บนรถประจาทาง ก็สามารถจเจริญวิปัสสนาได้แล้วหากขาดสติสะอย่างเดียวก็คือขาดการปฏิบัติไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาแม้จะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ตลอดทั้งคืนก็กล่าวไม่ได้ว่ากำลังปฏิบัติทมอยู่หากมีสติแต่ขาดสัมมาสมาธิจิตก็จะน้อมไปสู่การเพ่งจ้องและไม่เกิดปัญญา และหากขาดโยนิโสมานสิการการปฏิบัติก็จะผิดพลาดได้ง่ายและเสียเวลามากเมื่อจับหลักของการปฏิบัติได้แม่นยำแล้วคราวนี้ก็ถึงขั้นการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งมีอยู่สองขั้นตอนคือ1นขั้นเตรียมความพร้อมของจิตและ 2. ขั้นรู้รูปนามด้วยจิตที่พร้อมแล้ว การเตรียมความพร้อมของจิตด้วยการสร้างความรู้สึกตัวก่อนการเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาสิกขาผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีสัมมาสมาธิอันเกิดจากจิตสิกขาหากศึกษาพระสูตรจำนวนมากจะพบคำสอนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของจิตหรือจิตสิกขาก่อนการเจริญวิปัสสนา ด้วยการเจริญสัมมาสมาธิจนถึงระดับจะตุตฌานหรือรูปฌานที่สี่จนกระทั่งภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะ นี่คือสภาวะของจิตที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นเองสภาวะเช่นนี้จำเป็นมากสำหรับการเจริญวิปัสสนาแต่ผู้ปฏิบัติรุ่นหลังๆมักละเลยที่จะเรียนรู้เรื่องจิตสิกขาแล้วใช้จิตที่ไม่มีสัมมาสมาธิคือไม่ผ่องแพ้วเจือด้วยตัณหาและทิฏฐิแข็งกระด้างไม่ควรแกการงานไม่ตั้งมั่นสักวารู้อารมณ์ ไปเจริญวิปั ส, สนาผลก็คือไม่สามารถระลึกรู้รูปนามได้ตรงตามความเป็นจริงกลายเป็นหลงเพ่งจ้องหรือควบคุมบังคับจิตและอารมณ์ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไรก็ตามยังมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งในการสร้างความพร้อมของจิตสาหรับผู้ที่ไม่สามารถทำฌานได้ซึ่งผู้เขียนขอเรียกว่าการสร้างความรู้สึกตัว สภาวะของความรู้สึกตัวนั้นเป็นอันเดียวกับสภาวะจิตของผู้ที่เพิ่งผ่านการเจริญเจตุตชานมาแล้วคือจิตเป็นสมาธิผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอาจกล่าวได้ว่าการทำาจตุตชาน เป็นวิธีสร้างความพร้อมในการเจริญวิปัสนาของสมถยานิส่วนการสร้างความรู้สึกตัวก็เป็นวิธีสร้างความพร้อมในการเจริญวิปัสนาของวิปัสสายานิกผู้ปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ถ้าขาดความรู้สึกตัวเมื่อพูดถึงความรู้สึกตัวผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากมาก เพราะทุกคนมักคิดว่าตัวเองรู้สึกตัวอยู่แล้วทั้งที่ในโลกนี้จะหาคนที่รู้สึกตัวจริงๆได้ยากเต็มทีมีแต่คนที่กำลังฝันทั้งที่ตื่นเป็นส่วนมากหากถูกสกิดเตือนว่ากำลังฝันอยู่ก็มักงงหรือโกรธไปเลยความรู้สึกตัวเป็นสิ่งตรงข้ามกับความหลงหรือความไม่รู้สึกตัว ความรู้สึกตัวนั้นสร้างขึ้นมาโดยตรงไม่ได้ต้องรู้ทันความหลงหรือความไม่รู้สึกตัวจึงจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นได้โดยง่ายถ้าจะพูดถึงสภาวะทางจิตใจของความไม่รู้สึกตัวก็กล่าวได้ว่าคือสภาวะที่หนึ่งเมื่อตาเห็นรูปจิตก็หลงไปกับรูป 2. อเมื่อหูได้ยินเสียง จิตก็หลงไปกับเสียง 3. เมื่อจมูกได้กลิ่นจิตก็หลงไปกับกลิ่น 4. เมื่อลิ้นมรูร้รสจิตก็หลงไปกับรส 5. เมื่อกายสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวจิตก็หลงไปกับสิ่งสัมผัสทางกายและ 6. เมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งจิตก็หลงไปกับความคิดนึกปรุงแต่ง ลองหัดสังเกตจิตใจของตนเองดูก็ได้ว่ามันหลงไหลไปอย่างไรเช่นเมื่อมองเห็นคนคนหนึ่งเดินมาเราเกิดความสนใจคนคนนั้นเราเอาแต่จ้องมองคนคนนั้นอย่างลืมตัวจิตของเราก็จะเลื่อนไหลไปเกาะเกี่ยวจมแช่อยู่กับคนคนนั้นเห็นแต่คนคนนั้นแต่ลืมรู้ทันกายลืมรู้ทันใจของตนเอง เมื่อดินเสียงคนนินทากันจิตของเราก็หลงไหลไปจดจ้องคอยตั้งใจฟังเสียงนั้นเพื่อฟังให้รู้ความเราได้ยินเสียงนั้นและรู้ความหมายของสิ่งที่เขาพูดแต่ลืมรู้ทันกายลืมรู้ทันใจของตนเองเมื่อจิตใจทำงานต่างๆเช่นคิดเพ่งอารมณ์หรือใจลอย เรารู้เรื่องที่คิดโดยไม่รู้ว่ากําลังคิดอยู่เรารู้สิ่งที่จิตเพ่งเช่นลมหายใจมือเท้าท้องโดยไม่รู้ว่ากําลังเพ่งอยู่เราใจลอยคือจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนโดยไม่รู้ว่ากําลังใจลอยอยู่หรือเมื่อจิตเกิดความรู้สึกสุขทุกโลภโกรธหลง เราเพลินกับความสุขโดยไม่รู้ว่ากาลังสุขอยู่เราเกลียดชังความทุกข์หรือพยายามละทุกข์โดยไม่รู้ว่ากำลังปฏิเสธทุกข์อยู่เราคิดถึงคนที่เรารักโดยไม่รู้ว่ากำลังมีความรู้สึกรักอยู่เราคิดถึงคนที่เราเกลียดโดยไม่รู้ว่ากำลังมีความรู้สึกเกลียดอยู่เป็นต้น แต่เมื่อใดเกิดสติรู้ทันว่าจิตกำลังหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมรมเมื่อนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอ่านเพิ่มเติมในหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งข้อ 6.2 จิต ท, ที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมมีลักษณะดังนี้คือ 1- เป็นจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองมีความสงบระงับอยู่ตามธรรมดาคือมีสัมมาสมาธิดยไม่หลงเพลินไปกับอารมณ์ทางถวารทั้ง6และไม่หลงเพ่งตรึงความรู้สึกให้แนบแน่นอยู่กับกายหรือใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2- เป็นสภาวะรู้ที่ปลอดโป ร, โรง่ง เบารู้สบายสบายรู้กว้างครอบคลุมคือถ้ารู้กายก็รู้สบายสบายทั้งกายเหมือนที่รู้สึกถึงความสบายทั่วกายหลังจากเพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆถ้ารู้จิตก็รู้อย่างปลอดโปรง่งโล่งเบาเหมือนคนไม่มีภาระใดๆแต่ทั้งนี้ไม่ใช่สภาวะที่รู้เบาวิวหรือเคลิบเคลิม้มเลื่อนลอย และไม่ถึงขั้นรู้ตัวชัดกริบด้วยสติที่แข็งเกินควร 3. เป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้จงใจทำให้เกิดขึ้นเพียงมีสติรู้ทันความหลงก็เกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นได้แล้วแต่หากจงใจรู้สึกตัวจะเป็นความรู้สึกตัวอย่างแข็งแข็งหนักหนักนไปใช้ประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาไม่ได้จริงจิตที่รู้สึกตัวทั่วพร้อม สามารถมีสติอัตโนมัติขึ้นมารับรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏอย่างสักว่ารู้คือมีสัมมาสติคือรู้โดยไม่ต้องตั้งใจจะรู้และเมื่อรู้แล้วก็ไม่ถูกอารมณ์ชักพาให้หลงลืมตัวหรือไม่หลงปรุงแต่งความคิดขึ้นมาหรือแม้ความคิดเกิดขึ้นก็สามารถทรงความรู้ตัวอยู่ได้โดยไม่หลงตามความคิดไปทาให้สมมติบัญญัติ ไม่สามารถปิดบังอารมณ์ปรมาทัตคือรูปนามได้จิตที่รู้สึกตัวจึงสามารถรู้อารมณ์ปรมาทัตได้ในขณะที่จิตหลงไม่สามารถรู้อารมณ์ปรมาทัตได้จะรู้ได้เพียงอารมณ์บัญญัต์เท่านั้นและเมื่อจิตรู้อารมณ์ปรมาทัตได้แล้วก็ย่อมสามารถรู้รูปนามทั้งหลายได้ตรงตามความเป็นจริงจนเกิดภาวนาเมญปัญญา อันเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในที่สุดสรุปแล้วถ้าจะให้จิตเกิดความรู้สึกตัวก็ให้ใช้สติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นหรือจิตที่หลงไหลไปตามอารมณ์ทางถวาวรทั้งหหลวงปู่ดูลนท่านเรียกว่าจิตส่งออกนอกซึ่งก็คือจิตที่หลงทยานไปยึดอารมณ์ด้วยอำนาจของตัณหาหกนั่นเองเมื่อรู้ทันแล้ว จิตจะเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและตั้งมั่นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดโดยอัตโนมัติไม่เหมือนความรู้สึกตัวที่แกล้งทำขึ้นด้วยอำนาจของตันหาซึ่งจะมีอาการแข็งๆทื่อๆผิดธรรมดาอย่างยิ่งเป็นสภาพรู้ตื่นเบิกบานเบาสบายประกอบด้วยโสมนัสเวทนาหรืออุเบขาเวทนา และเป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่งแต่สภาวะอันนี้ก็ทรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะเพราะเป็นความตั้งมั่นด้วยคณิกะสมาธิแล้วจิตก็จะหลงอารมณ์อีกก็ให้รู้ทันอีกหากตามรู้ทันบ่อยๆเข้าจิตจะจดจำสภาวะธรรมต่างๆได้มากขึ้นมากขึ้นเช่นรู้ว่าหลงดูเป็นอย่างนี้หลงฟังเป็นอย่างนี้ หลงมือเป็นอย่างนี้หลงคิดเป็นอย่างนี้หลงตั้งท่าปฏิบัติเป็นอย่างนี้หลงหาว่าจะดูอารมณ์อะไรดีเป็นอย่างนี้หลงเพ่งเป็นอย่างนี้หลงแทรกแซงจิตและอารมณ์เป็นอย่างนี้เป็นต้นทั้งยังจะรู้จักอารมณ์ในฝ่ายรูปธรรมนามธรรมอื่นๆได้ด้วยเช่นรูปยืนเป็นอย่างนี้อาการหลงว่าเรายืนเป็นอย่างนี้ รูปนั่งเป็นอย่างนี้อาการหลงว่าเรานั่งเป็นอย่างนี้ความสุขเป็นอย่างนี้อาการหลงว่าเราสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้อาการหลงว่าเราทุกข์เป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนี้อาการที่จิตหลงไหลไปตามความโกรธจนกลายเป็นเราโกรธเป็นอย่างนี้เป็นต้นยิ่งจิตรู้จัก และจดจำสภาวธรรมได้มากและแม่นยำสติจะยิ่งเกิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นและปัญญาจะรู้ทันสภาวธรรมเหล่านั้นเนือ ง, นงจนเกิดความรู้จริงและรู้ปล่อยวางได้ในที่สุดดังนั้นผู้ที่หัดสร้างความรู้สึกตัวด้วยวิธีการมีสติรู้ทันความหลงของจิตที่หลงไหลไปทางตวานทั้ง6จึงสามารถจเจริญวิปัสสนาต่อไปได้เลยไม่เหมือนการทำฌาน ที่ต้องทำฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นในภายหลัง ลองฝึก บ, บ่อยๆไม่นานก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนกล่าว 1. ลองสังเกตจิตใจตนเองในเวลาที่มองเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจจะพบว่าจิตของเราทยานหลงไปเกาะกับภาพนั้นจนลืมความรู้สึกตัวหรือจะลองเพ่งนิ้วหัวแม่มือตอนเองสักครู่หนึ่ง แล้วค่อยสังเกตรู้ทันจิตที่ไหลไปเกาะอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้ 2. ลองสังเกตจิตใ จ, จตนเองในเวลาคิดจะพบว่าเรารู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้ทันว่าจิตกำลังคิดอยู่เป็นการหลงไปในโลกของความคิดจนลืมความรู้สึกตัว 3. ลองกำหนดลมหายใจหรือกำหนดท้องพ่องยุด หรือกำหนดการยกเท้าย่างเท้าไปสักช่วงหนึ่งแล้วสังเกตดูจิตใจที่หลงไหลไปจมแช่อยู่กับลมหายใจหรืออาการพองยุบหรืออาการยกย่างจนลืมความรู้สึกตัวแบบฝึกหัดข้อ 1- ถึงสเป็นการฝึกให้รู้ทันความไม่ตั้งมั่นของจิตเมื่อรู้ทันแล้วจิตจะเกิดความตั้งมั่นหรือคณิกะสมาธิได้เอง ลองสุ่มสังเกตความรู้สึกของตนเองเป็นระยะๆะะแต่ห้ามจ้องดูตลอดเวลาเพราะจะกลายเป็นการเพ่งจ้องที่ผิดธรรมชาติไปแล้วรู้ว่าเมื่อกี้นี้เผลอเมื่อกี้นี้คิดเมื่อกี้นี้เพ่งเมื่อกี้นี้โกรธเมื่อกี้นี้โลภเมื่อกี้นี้หดหูเป็นต้น ขณะนี้ยืนขณะนี้เดินขณะนี้นั่งขณะนี้นอนให้หัดตามรู้รูปนามอย่างนี้อยู่หนึ่งเนืองแบบฝึกหัดข้อสี่เป็นการฝึกตามรู้สภาวะของรูปนามจนกระทั่งเกิดสติขึ้นเองโดยไม่ได้จงใจจะทําให้สติเกิดขึ้นสติชนิดนี้จะว่องไวโปรง่งโลง่งเบาสบาย ไม่ใช่สติแข็งกระด้างอันเกิดจากความอยากมีสติหรือความอยากปฏิบัติธรรมมีนักปฏิบัติจํานวนมากทีเดียวที่เอาสติตรึงความรู้สึกไว้ที่กายจนรู้สึกว่าสามารถรู้สึกตัวอยู่ได้ตลอดเวลาการทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยเพราะเป็นการปฏิบัติด้วยตัณหาผลก็คือจิตจะแข็งกระด้างและกายจะแข็งทื่อ ไม่ใช่การตามรู้อารมณ์แต่เป็นการดักรู้หรือรอรู้อันหนึ่งการตามดูจิตจะมีลักษณะการรู้ถึงจิตที่เพิ่งดับไปแต่การตามรู้กายสามารถรู้ได้ในปัจจุบันเพราะกายเป็นรูปซึ่งมีอายุยืนยาวกว่าจิตมากนอกเหนือจากการมีสติรู้ทันความไหวนิ่งของจิตจนเกิดความรู้สึกตัวแล้ว ยังมีอุบายวิธีของสำนักปฏิบัติอีกหลายแห่งที่ใช้สร้างความรู้สึกตัวได้เช่นกันเช่นการทำจังหวะการเคลื่อนไหวมือของนักปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภและการรู้รูปนามในอิริยาบถ4เป็นต้นหากปฏิบัติแล้วไม่หลงเพ่งมือเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งกายทั้งกายหรือเพ่งความรู้สึกนึกคิด แต่มีสติรู้ทันสภาวะความไหวนิ่งของกายหรือจิตก็สามารถสร้างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นได้เช่นกันด้วยความจริงข้อนี้เองทำให้ผู้เขียนไม่ปฏิเสธวิธีการปฏิบัติธรรมของเพื่อนนักปฏิบัติในสายหรือสำนักปฏิบัติอื่นๆที่เน้นการเจริญสติหรือการมีความรู้สึกตัวเพราะแม้เบื้องต้นจะเดินมาจากประตูคนด้าน แต่เมื่อเข้าประตูได้แล้วก็เข้าถึงสภาวะอันเดียวกันได้เองมีจุดที่น่าสังเกตรประการหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่เคยศึกษาปฏิบัติธรรมมาก่อนเมื่อฟังธรรมแล้วมักจะเกิดความรู้สึกตัวได้ง่ายแต่ผู้ที่เคยฝึกหัดมาในทางมิจฉาสมาธิคือบรรดานักเพ่งและนักดัดแปลงจิตและอารมณ์ทั้งหลายจะเกิดความรู้สึกตัวได้ยากทั้งนี้ เกิดจากสาเหตุหลายประการคือ 1. จิตมีความคุ้นเคยที่จะเพ่งอารมณ์จนไม่สามารถจะรู้อารมณ์ได้โดยไม่เพ่ง 2. จิตมีตัณหาคือความอยากปฏิบัติธรรมที่รุนแรงบงการให้เกิดการกระทําทางกายและทางใจตั้งมากมายแทนที่จะตามรู้กายตามรู้ใจไปตามธรรมดาที่กําลังเป็นอยู่ 3. การมีความคิดความเห็นเดิมหรือทิฏฐิอยู่มากเมื่อได้ฟังธรรมเรื่องการเจริญสติก็มักจะพยายามศึกษาเปรียบเทียบจนความคิดปิดกั้นความรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏจนหมดสิ้น 4. การมีมานะหรือความถือตัวว่าเป็นนักปฏิบัติยิ่งคนที่ทำมานานจนชำนาญในกีฬาทางจิตหรือคนที่เป็นผู้นากลุ่ม จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ยากมากบุคคลเหล่านี้หากต้องการเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวจะต้องกล้าหาญพอที่จะสลัดความคิดความเชื่อความเคยชินเก่าๆความพยายามดิ้นรนคน้นคว้าและความถือตัวทิ้งสะก่อนหากทำจิตให้เหมือนถ้วยชาที่ว่างเปล่าได้ก็จะเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวได้ไม่ยากหนัก 3. ลงมือเจริญวิปัสนาเมื่อมีความรู้สึกตัวซึ่งหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติมีสติและสัมมาสมาธิพร้อมแล้วต่อไปนี้เป็นเวลาของการเจริญวิปัสนาจริงๆกันเสียทีถ้าถามว่าการทำวิปัสนาต้องทำกันที่ไหนเช่นในปา่าที่บ้านที่วัด หรือที่สำนักกรรมฐานตอบทำที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถามทำอย่างไรตอบการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นนั้นเรามุ่งถึงโสดาปฏิมักซึ่งต้องทำลายสักกายทิฐิคือความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราฉะนั้น ในเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายรับสัมผัสและใจรู้ธรรมารมหากความรู้สึกเป็นเราเด่นชัดในที่ใดก็ควรมีสติระลึกรู้ในที่นั้นจนเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าเราไม่มีอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงเราบังคับสติไม่ได้ เพราะสติก็เป็นอนัตตาดังนั้นหากอารมณ์รูปนามใดปรากฏชัดสติก็ย่อมระลึกรู้อารมณ์นั้นเองแม้ความเป็นเราจะไม่เด่นชัดที่อารมณ์นั้นก็ตามในกรณีเช่นนี้หากจิตมีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นไม่หลงตามอารมณ์และมีโยนิโสมนัสิการว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเราหรือของเราจนถอดถอนความยึดถือในอารมณ์นั้นได้อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะเมื่อปฏิบัตินานไปก็จะเห็นว่าทำทั้งปวงไม่ใช่เราสักอย่างเดียวต่อจากนี้ไปจะกล่าวถึงวิธีการเจริญวิปัสสนาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายรับสัมผัส และใจรู้ธรรมอารมณ์สาระสําคัญตามข้อ4ี่ถึงสิหากผู้ใดเข้าใจวิธีปฏิบัติที่จะกล่าวนี้ได้แล้วก็ย่อมสามารถเจริญวิปัสนาได้ด้วยอารมณ์รูปนามทุกอย่างตั้งแต่กายานุปัสนาสติปัฏฐานจนถึงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเพราะการเจริญวิปัสนาไม่ว่าจะใช้อารมณ์รูปนามในปัฏฐานใดก็ย่อมรู้อารมณ์เหล่านั้นด้วยอาญตนะหกนี้เอง เมื่อเข้าใจวิธีการปฏิบัติในภาพรวมดังที่จะกล่าวนี้แล้วผู้ปฏิบัติก็สามารถเลือกอารมณ์เบื้องต้นของการเจริญวิปัสนาได้ตามจริตนิสัยเช่นอาจจะเริ่มปฏิบัติด้วยการรู้ธรรมารมที่เป็นรูปคือการรู้อิริยบทใหญ่และอิริยบทย่อยจนเป็นการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็ได้หรือจะรู้ธรรมารมที่เป็นนาม อันเป็นการเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานและจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานก็ได้ทั้งนี้ผู้ใดรู้รูปแล้วสติเกิดบ่อยก็รู้รูปไปผู้ใดรู้นามแล้วสติเกิดบ่อยก็รู้นามไปและเมื่อฝึกหัดมากขึ้นแล้วจิตจะก้าวไปเจริญทรรมานุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งครอบคลุมทั้งการรู้รูปและนามได้เอง 4. การเจริญวิปัสนาเมื่อตาเห็นรูป 4.1. การที่ตาจะเห็นรูปได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายอย่างคือ 1. อายตนะภายในคือตา 2. อายตนะภายนอกคือรูปและ3จักขุวิญญาณจิต หรือนามเห็นคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามสิ่งนี้รูปจะปรากฏทางตาไม่ได้ปัญหาที่น่าคิดก็คือจิตย่อมรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างดังนั้นเมื่อตาเห็นรูปผู้ปฏิบัติควรมีสติระลึกรู้สิ่งใดระหว่างตารูปและความรับรู้อารมณ์ทางตา 4.2 ตาได้แก่ประสาท ต, ตาเป็นสิ่งที่ละเอียดและถ้าระลึกถึงแล้วก็ง่ายที่จะหลงเพ่งตาจนเกิดความปวดตาและเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึกถึงความมีอยู่ของประสา ต, ตาด้วยจึงไม่ค่อยรู้สึกว่าตาคือตัวเราส่วนรูปก็เป็นเพียงสีหรือแสงสะท้อนของวัตถุซึ่งอยู่ห่างออกไป ที่มากระทบตาเท่านั้นสีเป็นสิ่งที่ปราศจากน้ำหนักและจับต้องไม่ได้จึงง่ายที่จะรู้ว่าสีหรือรูปเป็นสิ่งภายนอกไม่ใช่ตัวเราแต่ความรู้สึกเป็นเราจะเด่นชัดอยู่ที่จิตซึ่งเป็นผู้เห็นรูปในกรณีนี้ผู้ปฏิบัติซึ่งรู้สึกตัวเป็นแล้วคือสามารถรู้รูปได้โดยไม่หลงดู จึงควรมีสติระลึกรู้อยู่ที่จิตซึ่งเกิดทางตาซึ่งเป็นผู้เห็นรูปจนพบและเข้าใจความเป็นจริงว่าจิตเห็นไม่ใช่เราเห็นเพราะสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นเรานั้นเอาเข้าจริงก็คือจักขุวิญญาณจิตหรือนามเห็นซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองหาความเป็นตัวตนใดๆไม่ได้เลย 4.3 ผู้ปฏิบัติอาจจะลองมองภาพอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลๆและไม่ยั่วกิเลสเช่นภาพภูเขาหรือต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปมองอย่างสบายๆอย่าตั้งใจอย่าเคร่งเครียดแล้วค่อยสังเกตดูความรู้สึกหรือความรับรู้รูปทางตาในขณะที่มองนั้นจะพบว่าความรู้สึกนั้น ว่างเปล่าจากตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไร้น้ำหนักไร้กิเลสเป็นกลางไร้ความทุกข์และความสุขนี้แหละคือสภาวะจริงของจักขุวิญญาณจิตหรือนามเห็นซึ่งถ้าเราขาดความรู้สึกตัวเราจะไม่สามารถรับรู้ถึงจิตชนิดนี้ได้เลยแล้วจะหลงคิดอยู่ร่ำไปว่าเราเห็น สำหรับตัวรูปเองก็ว่างเปล่าจากตัวตนและไร้น้ำหนักเช่นเดียวกับจากกุวิญญาณจิตนั่นเอง 4.4 การจะเห็นความจริงดังกล่าวนี้ได้ต้องเห็นจริงๆด้วยปัญญาจะคิดเอาหรือน้อมใจเชื่อเอาไม่ได้แต่ให้เฝ้ารู้จนเห็นว่าจิตที่รู้อารมณ์ทางตาไม่ใช่เราจริงๆจึงจะใช้ได้ ที่จริงจิตก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่ที่รู้สึกว่าจิตเป็นเราก็เพราะความคิดนึกปรงแต่งเข้าไปปรุงแต่งจิตเมื่อใดรู้สึกตัวอยู่ความปรุงแต่งครอบงำจิตไม่ได้เมื่อนั้นจะเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่เราอันหนึ่งจิตเป็นธรรมารมที่รู้ได้ด้วยใจจะใช้ตาดูจิตไม่ได้ ขืนพยายามใช้ตาดูจิตก็จะเกิดอาการปวดตาโดยไร้ประโยชน์เปล่าๆ 4.5 ในกรณีที่เห็นรูปบางอย่างซึ่งมีความหมายมากคือมีน้ำหนักหรือมีคุณค่าทางใจมากเช่นรูปของคนที่เรารักและกำลังอยากพบหรือรูปที่สวยงามหรือรูปที่น่าเกลียดเช่นภาพคนถูกรถทับ จนจิตเกิดอยากดูคือมีรูปตัณหาพอเห็นรูปนั้นจิตก็ทะยานเข้าไปเกาะยึดที่รูปนั้นเรียกว่าหลงดูกรณีนี้ก็ให้รู้ทันว่าจิตหลงไปทางตาแล้วพอรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องบังคับแล้วจะรู้ได้ว่าจิตเป็นผู้เห็นรูปไม่ใช่เราเห็น แต่ถ้าเห็นแล้วเผลอก็หลงรูปเกิดเป็นเราเห็นถ้าจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆก็กล่าวได้ว่าเมื่อใดรู้รูปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเมื่อนั้นก็เป็นสักว่ารู้ไม่ใช่เรารู้คือเราไม่มีดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านพระพาหิยะว่าเมื่อใดเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อนั้น ท่านย่อมไม่มีจากพาหะสูตรขุตกานิกายพระสุตันตปิฎกเล่ม17พระไตรปิฎกเล่ม25ห้าเมื่อใดรู้รูปด้วยจิตที่ไม่ตั้งมันเมื่อนั้นก็เป็นหลงดูและมีเราเป็นผู้ดูในกรณีที่รูปมีความหมายมากจนจิตหลงเข้าไปยึดรูปถึงขนาดเห็นว่ารูปนั้นเป็นของเรา เช่นเป็นบุตรพันรยาสามีของเราหรือทรัพย์สินเงินทองของเราในกรณีนี้จะมีสติรู้ที่จะ ก, กุวิญญาณจิตหรือนามเห็นไม่ไหวแล้วก็ให้มีสติรู้รูปนั้นหากเห็นรูปประมาทว่าเป็นเพียงสีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็อาจถอดถอนหรือลดทอนความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้น แม้ผู้เขียนจะแนะนำให้มีสติรู้อยู่ที่นามเห็นแต่ถ้าจำเป็นจริงๆจะรู้ที่รูปก็ได้แต่จะส่งผลเพียงแค่การลดความเห็นผิดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของเราไม่เหมือนการรู้ที่นามเห็นที่จะทำลายความเห็นผิดว่าเราเห็นได้แต่ถ้าจิตยังหลงรูปรุนแรงเช่นเห็นสาวงามแล้วเกิดการมาราคะรุนแรง จนเจริญสติไม่ไหวก็ต้องใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือการพิจารณาสาวนั้นหรือพิจารณาตนเองให้เห็นเป็นปฏิกูลหรืออสุภกรรมฐานอันเป็นการทำสมถกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบพอเอาตัวรอดไปได้คราวหนึ่งแต่ต้องทราบว่ากำลังทำสมถกรรมฐานอยู่อย่าหลงผิดว่าการคิดพิจารณาดังกล่าวเป็นการเจริญวิปัสสนา เพราะอาจจะเกิดความหลงผิดอย่างร้ายแรงทีเดียว 4.6 เมื่อหัดเจริญสติในขณะที่ตาเห็นรูปมากขึ้นก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจความจริงหลายอย่างคือ 4.6.1 รู้ความจริงของตาว่าเป็นเพียงรูปหรือวัตถุเป็นเครื่องมือให้เกิดความรู้สึกหรือความรับรู้รูปทางตาประสาตานี้บังคับไม่ได้ รูปดีหรือรูปชั่วมากระทบก็รับรู้เหมือนกันทั้งนั้นแถมบางเวลาก็ดูได้ชัดบางเวลาก็ไม่ชัดอันหนึ่งตาซึ่งหมายถึงระสาทตาเป็นประสาทรูปต้องรู้ด้วยใจจะรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายไม่ได้ 4.6.2 รู้ความจริงของรูปว่ารูปปรมาติ์ที่ตาเห็นเป็นเพียงสีเท่านั้นแต่ที่เห็นเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปต้นไม้รูปภูเขาก็เพราะสัญญาหรือความจำได้หมายรู้ไปจำรูปและบัญญัติรูปได้โพราสังเกตดูทถดว่าตัวรูปปรมาติ์หรือสีนั้นรู้ได้ตาแต่บัญญัติว่ารูปนี้คือคนสัตว์เป็นต้นนั้น เป็นสิ่งที่รู้วยใจจึงเป็นคนละอย่างกันและใช้อายตนะในการรู้คนละอย่างกันทีเดียวถ้าสังเกตได้ก็จะไม่หลงเอาสองสิ่งนี้ไปปะปนกันแต่หากสติปัญญาไม่รู้เท่าทันบัญญัติของรูปก็เข้ามาปิดบังความจริงที่ว่าจริงๆแล้วรูปที่ถูกตาเห็นนั้นก็คือสีเท่านั้นเองจะไปยึดสีมาเป็นของเราไม่ได้เพราะมันเป็นของภายนอก ที่ไม่มีตัวตนจริงๆให้จับต้องได้ 4.6.3 รู้ความจริงของการกระทบสัมผัสทางตาว่าเกิดขึ้นโดยไม่ได้จงใจจะให้เกิดแต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยสมควรเกิดมันก็เกิดและการกระทบสัมผัสระหว่างตากับรูปนั้นที่จริงแล้วกระทบได้เพียงคราวระวับเดียวไม่มีใครสามารถเห็นรูปต่อเนื่องยาวนานได้เลย ลองมองหน้าคนที่อยู่ใกล้ๆดูก็ได้จะพบว่าเรามองหน้าเขาได้เพียงจุดเล็กๆและเห็นได้ในเวลาที่สั้นมากแล้วรูปนั้นก็ดับไปเราต้องมองใหม่ในจุดอื่นต่อไปอีกแล้วเอาความจำรูปในอดีตมาต่อกับภาพรูปในปัจจุบันซึ่งเป็นจุดเล็กๆรวมกันขึ้นมาจึงเป็นภาพหน้าของคนคนนั้นถ้าสติว่องไวถึงขนาดนี้ จะรู้ความจริงทีเดียวว่าเราเห็นรูปได้ไม่สมอยากเลยเพราะเห็นได้แค่รูปเล็กๆนิดเดียวในเวลาที่สั้นนิดเดียวคือเห็นรูปได้ทีละวับเดียวหรือขณะจิตเดียวนั่นคือจักุวิญญาณจิตเกิดเพียงครั้งละหนึ่งขณะถ้ารู้ซึ้งได้อย่างนี้ตัณหาหรือความทยานอยากในรูปก็จะลดลงเพราะเห็นว่า รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคือบังคับให้เห็นตามอยากไม่ได้ 4.6.4 รู้ความจริงของจักกุวิญญาจิตคือรู้ว่าจิตที่รู้รูปมีสภาพที่เป็นกลางกลางทั้งยังไม่มีความสุขความทุกข์อะไรและไม่มีดีมีชั่วอะไรด้วย เป็นแค่ทำหน้าที่รับรู้รูปอย่างเดียวเท่านั้นและมีความเกิดดับรวดเร็วมากเพราะเกิดได้คราวละขณะจิตเดียวดังที่กล่าวแล้วในข้อก่อนทั้งยังบังคับให้เกิดหรือให้ตั้งอยู่ก็ไม่ได้บังคับไม่ให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ด้วย 4.6.5 รู้ปฏิกิริยาของจิตเมื่อกระทบอารมณ์คือรู้ว่า เมื่อจิตรู้รูปแล้วมักจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นแต่จะเกิดจิตดวงใหม่ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออารมณ์หรือรูปที่รู้นั้นต่อไปอีกเรียกว่าชาวมนจิตเช่นพอเห็นรูปบางอย่างแล้วจำได้ว่าเป็นรูปคนที่เรารักจิตจะเกิดปฏิกิริยาเป็นสุขและยินดีพอใจที่จะดูรูปนั้นอีกแต่ถ้าเห็นรูปบางอย่าง แล้วจำได้ว่าเป็นรูปคนที่เราเกลียดจิตจะเกิดปฏิกิริยาเป็นทุกข์และไม่ยินดีพอใจที่จะเห็นรูปนั้นหรืออาจจะอยากดูอีกเพื่อจับผิดหรือหาเรื่องก็ได้เมื่อจิตเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้ก็ให้รู้ทันด้วยความเป็นกลางจะเห็นว่าปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดอยู่ได้ไม่นานก็จะดับไปแต่ถ้ามันไม่ดับก็อย่าอยากให้ดับ เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะดับจิตและเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารแต่ปฏิบัติจนเห็นว่าจิตและเจตสิกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ตังหากอันหนึ่งการที่กล่าวว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วหากจิตเกิดปฏิกิริยาขึ้นก็ให้รู้ทันนั้น สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักในตารู้จักรูปและรู้จักในตาและรูปทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชีิละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยจากอายตนะบพพะธรรมานุปัสสนาสติปฐานมหาสติปฐานสูตรทีคณิกายมหาวัรคพระสุตันตปิฎกเล่มสองพระไตรปิฎกเล่มสิบ ทั้งนี้พระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้ห้ามวิถีหรือกระบวนการทํางานของจิตให้หยุดไว้เพียงแค่เมื่อตาเห็นรูปเพราะในความเป็นจริงเราห้ามไม่ได้เนื่องจากจิตเป็นอนัตตาดังนั้นเมื่อตาเห็นรูปแล้วจิตเกิดอกุศลรวมทั้งความยึดในกุศลอันจะเป็นเครื่องผูกมัดให้จิตติดข้องอยู่ในภพเราก็ต้องรู้ชัดด้วยขอให้สังเกตให้ดีว่า ท่านให้รู้สังโยชน์ไม่ได้ส่งสอนให้ละสังโยชน์แต่อย่างใด 4.7 สรุปแล้วเมื่อตายเห็นรูปผู้ปฏิบัติสามารถจเจริญสติจนรู้ความจริงได้ว่าตาคืออายตนะภายในเป็นรูปรูปคืออายตนะภายนอกเป็นรูปจิต หรือความรับรู้อารมณ์ทางตาคือจักขุวิญญาณจิตเป็นนามจิตผัสสะหรือการกระทบอารมณ์ทางตาคือผัสสะทางตาเป็นนามเจตสิกตัณหาหรือความทยานอยากในรูปคือรูปตัณหาเป็นนามเจตสิกและจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลตามมาภายหลังการรู้รูปคือชวนจิตเป็นนามาจิต กับเจตสิกที่เกิดร่วมกับชวนจิตนั้นคือเวทนาสัญญาสังขารเป็นนามเจตสิกเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็สามารถเพิกถอนความเห็นผิดและความยึดถือที่ว่ารูปนามซึ่งรวมทั้งจิตด้วยคือตัวเราหรือของเราได้ในที่สุด ดังนั้นจึงไม่ควรประมาทว่าการปฏิบัติเพียงแค่การเจริญสติเมื่อตาเห็นรูปจะได้ประโยชน์สักเท่าไรเชียวเพราะแท้จริงก็คือการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างหนึ่งซึ่งมีทั้งรูปและนามเป็นอารมณ์และคำสอนเรื่องตาเห็นรูปนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านพระพายะจนบรรลุพระอรหันต์มาแล้วห การเจริญวิปัสนาเมื่อหูได้ยินเสียงมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับข้อส 6. การเจริญวิปัสนาเมื่อจมูกได้กลิ่นมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับข้อ4แต่มีจุดที่ต่างกันบ้างเล็กน้อยคือเมื่อกลิ่นกระทบจมูกนั้นความรู้สึกที่ว่าเรามักเด่นชัดขึ้นที่รูปคือจมูกคือรู้สึกว่า จมูกของเราได้กลิ่นเพราะกลิ่นเป็นสัมผัสที่รุนแรงและใกล้ชิดกว่ารูปและเสียงซึ่งเป็นเพียงสีและความสั่นสะเทือนของอากาศอันมีต้นตออยู่ไกลดังนั้นหากสติปัญญาสามารถระลึกรู้ว่าจมูกได้กลิ่นไม่ใช่เราได้กลิ่นและกลิ่นก็ไม่ใช่เราจมูกก็ไม่ใช่เรา แต่เป็นเพียงรูปเท่านั้นเห็นได้อย่างนี้ก็จะเพิกถอนความเห็นผิดว่ารูปเป็นเราได้และเมื่อจเจริญสติมากเข้าก็จะพัฒนาการเห็นความจริงไปอีกขั้นหนึ่งคือเห็นว่าอันที่จริงจมูกก็ไม่รู้กลิ่นเพราะจมูกเป็นรูปซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ได้สิ่งที่รู้กลิ่นจริงๆคือ คานวิญญาณนจิตหรือนามได้กลิ่นหรือความรู้อารมณ์คือกลิ่นซึ่งรู้ผ่านทางประสาทจมูกเท่านั้นทั้งกลิ่นทั้งจมูกและคานวิญญาณนจิตล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างใดเป็นเพียงรูปนามเท่านั้นเองอันหนึ่งมีบางท่านเน้นการกำหนดรูปกลิ่นซึ่งผู้เขียนไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะกลิ่นเป็นรูปภายนอกเป็นอาญตนะภายนอกมันเห็นได้ง่ายอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราสิ่งที่จะถูกยึดว่าเป็นตัวเราน่าจะเป็นกายนี้ใจนี้ซึ่งเป็นอาญตนะภายในเพราะคงไม่มีใครรู้สึกบอกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้นั้นเป็นตัวเราหรือกลิ่นเหม็นของกองขยะนั้นเป็นตัวเรา แต่ถ้าเห็นว่าจมูกเป็นตัวเราอย่างนี้ก็มีทางเป็นไปได้มากดังนั้นถ้ามีสติปัญญารู้ความจริงว่าจมูกรับกลิ่นเราไม่ได้รับกลิ่นด้วยและจมูกเป็นรูปไม่ใช่ตัวเราดังนั้นแม้จมูกจะรับกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นอภิชาคือความเพ่งเลงพอใจในกลิ่นและโทมนัตคือความไม่พอใจในกลิ่น ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากนี้การที่เห็นความจริงว่าจมูกเป็นแค่รูปไม่ใช่เราน่าจะทำลายความเห็นผิดว่าคันห้าหรือกายใจนี้เป็นเราได้มากกว่าการเห็นว่ากลิ่นไม่ใช่เราเจการเจริญวิปัสสนาเมื่อลิ้นได้รสมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับข้อ6 การเจริญวิปัสสนาเมื่อกายได้สัมผัสมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับข้อ6แต่มีจุดต่างอยู่บ้างเล็กน้อยในเรื่องเกี่ยวกับเวทนาคือเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นและลิ้นได้รสนั้นมีเวทนาเกิดได้เฉพาะอุเบกขาเวทนาเท่านั้นเนื่องจากรูปที่กระทบกันเป็นอุปาทายรูป คือรูปที่อาศัยมหาพูทะ ร, รูปหรือธาตุดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นกระทบกับอุปาทายรูปถ้าพูดให้เข้าใจง่ายงก็คือรูปเหล่านี้เป็นรูปที่บางเบาไม่มีน้ำหนักในการกระทบมากนักส่วนกายและโพธพะต่างก็เป็นมหาพูท ร, รูปด้วยกันมีน้ำหนักและความรุนแรงในการกระทบมากกว่าอุปาทายรูปกระทบกัน ดังนั้นเมื่อกายกระทบโพธภิภพจึงทําให้เกิดสุขเวทนาและทุกขเวทนาทางกายขึ้นได้การกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีทางตาหูจมูกและลิ้นไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทางกายและถ้ามีสติอยู่ก็จะไม่เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นแต่การกระทบอารมณ์ทางกายนั้นแม้จะมีสติอยู่ก็ยังมีทุกขเวทนาทางกายได้ นอกจากนี้ความรู้สึกว่ากายคือตัวเราจะรุนแรงกว่าความรู้สึกว่าประสาตตาประสาทหูประสาทจมูกและประสาทลิ้นคือตัวเราเช่นคนทั่วไปมักจะกลัวมีดบาดมากกว่ากลัวลิ้นจากประทบรสที่ไม่อร่อย 9. การจเจริญวิปัสนาเมื่อใจรู้ธรรมารมที่เป็นรูป 9.1. ธรรมารมประกอบด้วย 1. รูปบางอย่างเช่นรูปยืนเดินนั่งนอน 2. นามคือจิตและเจตสิกและ 3. สิ่งที่ไม่ใช่รูปนาม ซึ่งใช้เจริญวิปัสสนาไม่ได้คือนิพพานและบัญญัติในที่นี้จะกล่าวถึงการเจริญวิปัสสนาเมื่อใจรู้รูปก่อนแล้วในข้อสิบจึงจะกล่าวถึงการเจริญวิปัสสนาเมื่อใจรู้นามต่อไปแต่ผู้เขียนจะกล่าวถึงการรู้รูปเพียงสังเขปเพราะมีสำนักสอนเรื่องการตามรู้รูปอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถเข้ารับการศึกษาได้ไม่ยากนัก 9.2 รูปกรรมาฐานที่ง่ายง่ายไม่ซับซ้อนได้แก่การเจริญกายานุปัสนาสติปฐานด้วยการรู้อิริยาบถใหญ่ในเบื้องต้นและรู้อิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยในเบื้องปลายส่วนอนาปานสติและาธาตุกรรมาฐานเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและรู้ได้ด้วยกายไม่ใช่ทำอารมณ์ จึงไม่ได้นำมากล่าวถึงไว้ในที่นี้หัวใจของการรู้อิรยาบทใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในมหาสติปฐานสูตรก็คือเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆส่วนหัวใจของการรู้อิรยาบทย่อยก็คือการเคลื่อนไหวอย่างมีความรู้สึกตัวดังที่ทรงสอนว่าภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัว ในการก้าวในการถอยในการแรในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการทรงผ้าสังคติบาตรและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่น การพูดการนิ่งอันหนึ่งผู้เขียนเห็นว่าการทำวิปัสสนาด้วยอาณาปานสติอิเร ย, ยาบทใหญ่และอิเรยาบทย่อยนั้นมเมื่อจเจริญสติรู้รูปดังกล่าวไปแล้วก็เป็นการง่ายที่สติปัญญาจะพลิกเข้ามาเรียนรู้ถึงธาตุกรรมฐานด้วยเช่นเมื่อรู้การกระทบของลมหายใจออกเข้าก็สามารถเรียนรู้ถึงรูปดินไฟ และลมได้เมื่อรู้รูปเดินก็สามารถรู้ธาตุได้คือเมื่อยกเทา้าจะรู้ธาตุไฟด้วยกายได้ชัดเมื่อเคลื่อนเทา้าจะรู้ธาตุลมด้วยกายได้ชัดเมื่อลดเท้าลงจะรู้ธาตุน้ําด้วยใจได้ชัดและเมื่อเหยียบเท้าลงจะรู้ธาตุดินด้วยกายได้ชัดเป็นต้น 9.3 การรู้รูปยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเป็นต้นนั้นในทางทรษศีต้องมีองค์ประกอบ3ประการเช่นเดียวกับการรู้รูปเสียงกลิ่นรสและโภธพะคือต้องมีหนึ่งอายตนะภายนอกคือรูปชนิดที่เป็นธรรมารมณอ 2. อายตนะภายในคือใจหรือมานายตนะ ซึ่งเป็นเครื่องมือของมโนวิญญาณจิตในการรู้รูปนั้นและ 3. มโนวิญญาณจิตหรือนามเห็นคือความรับรู้อารมณ์ทางใจในทางปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติจะไม่สามารถจำแนกใจกับมโนวิญญาณได้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะตัวเอกของการเจริญวิปัสสนาในช่วงนี้คือรูปเนื่องจากเรามักรู้สึกว่าเรายืน เราเดินเรานั่งเรานอนทั้งที่ความจริงแล้วมันคือรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนจึงให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตามรู้รูปยืนเดินนั่งนอนไปอย่างสบายๆได้เลย 9.4 แท้ที่จริงทุกคนรู้รูปได้อยู่แล้วคือสามารถรู้ได้ว่า ขนาดนี้กำลังยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนแต่การรู้นั้นไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับการเจริญวิปัสสนาได้เพราะขาดโยนิโสมนสิการหรือการมองได้ตรงตามมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือพอรู้การยืนก็เป็หลงสำคัญมั่นหมายว่าเรายืนพอไปรู้การนอนก็เป็หลงสำคัญมั่นหมายว่าเรานอนเป็นต้น สำหรับผู้ปฏิบัติก็ให้ทำใจสบายๆยอย่าเคร่งเครียดแล้วระลึกรู้ถึงอาการปรากฏของกายในขณะนั้นเลยทีเดียวก็จะเห็นว่าอาการทางกายนั้นกาลังเป็นอย่างไรทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องบัญญัติถ้อยคำว่านี่คือรูปยืนนี่คือรูปเดินและไม่ต้องคิดนำคือไม่ต้องคิดว่านี่ไม่ใช่เรายืนแต่เป็นรูปยืน เป็นต้น 9.5 ถ้าสามารถทำได้ก็ให้มีสติระลึกรู้อาการปรากฏของรูปในขณะนั้นไปเลยหากในขณะนั้นจิตมีความตั้งมั่นโดยหนึ่งไม่หลงเพ่งรูปถ้าเพ่งรูปหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตจะนิ่งอยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาใดๆและสองไม่เพลอคิดเรื่องอื่นหรือแม้แต่คิดเรื่องรูป ที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนั้นทำได้อย่างนี้ปัญญาจะเกิดแจม่มแจ้งขึ้นมาเองไปตามลำดับเริ่มจากการรู้อาการปรากฏของรูปจนถึงการเห็นว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์และไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยคือเมื่อใดสามารถรู้กายโดยไม่หลงเพ่งและไม่หลงคิดกายก็เป็นรูปไม่ใช่เราในทันทีนั้น เพราะความเห็นว่ากายเป็นเราเกิดจากความคิดความเห็นไปตามความเคยชินผิดผิดเท่านั้นเองทั้งที่ความจริงกายไม่ใช่เรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเบื้องต้นจะรู้ชัดถึงสภาวะของรูปที่กำลังปรากฏว่ามีอาการอย่างใดต่อมาก็จะรู้ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่มีสภาวะบางอย่างที่เป็นรูปธรรม ปรากฏขึ้นเพียงชั่วคราวเมื่อมีเหตุมีปัจจัยหากเมื่อใดเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปสภาวะอันนั้นก็เปลี่ยนไปเช่นเมื่อนั่งอยู่นานๆเกิดความปวดเมื่อยจนทนไม่ไหวการรู้ความปวดเป็นการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแทนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ทำอยู่เดิมชั่วขณะจิตเกิดความอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถ รู้เท่าทันความอยากนั้นด้วยสติปัญญาเป็นการพลิกไปเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแทนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ทำอยู่เดิมชั่วขณะถ้ารู้ไม่ทันตัณหาจะเข้าครอบําจิตแล้วเกิดการเปลี่ยนอิริยาบถด้วยอำนาจของความอยากและไม่ทันเห็นว่ารูปเป็นทุกข์เพราะการเปลี่ยนอิริยาบถได้ปิดบังทุกข์ไปเสียแล้ว เมื่อเห็นว่าความทุกข์บีบคั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้รู้ทันและเปลี่ยนอิริยาบถได้อันเป็นการเคลื่อนไหวอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ด้วยความอยากโดยผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าจิตนั่นเองเป็นผู้สั่งการให้รูปเกิดความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถจึงเป็นรูปที่เกิดด้วยอานาจของจิตพอจิตสั่ง ทาดไหวคือวาโยธาก็ทำงานผลักดันให้รูปเดิมดับไปเกิดรูปเคลื่อนไหวคืออิรยาบทย่อยและเกิดรูปในอิรยาบทใหม่คืออิรยาบทใหญ่ในที่สุด 9.6 ผู้ที่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นจะสบายกว่าผู้เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือหากทุกทางกายบีบคั้นก็สามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้คือผู้เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องการเห็นความจริงของรูปว่ารูปไม่ใช่เรารูปมีความทุกข์บีบคั้น และเปลี่ยนไปเพราะจิตเป็นผู้กำหนดส่วนผู้เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องการเห็นความจริงของจิตว่าจิตไม่ใช่เราดังนั้นหากเกิดเวทนาทางกายจิตจะเกิดความไม่ชอบใจเมื่อได้เปลี่ยนอิรยาบถจิตจะเกิดความชอบใจก็จะเห็นว่าทั้งจิตที่ชอบใจและจิตที่ไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่มีปัจจัยกาหนด ไม่ใช่เกิดเองลอยๆและไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างใดสำหรับผู้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องการเห็นความจริงของธรรมว่าธรรมคือรูปนามไม่ใช่ตัวเราดังนั้นเมื่อเวทนาปรากฏก็รู้เวทนาเมื่อธรรมอื่นปรากฏก็รู้ธรรมอื่นต่อไปไม่จำเป็นต้องเอาเป็นเอาตายอยู่กับการรู้เวทนาอย่างเดียว แต่ผู้เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องการเห็นความจริงว่าเวทนาไม่ใช่เราดังนั้นเมื่อเวทนาใดปรากฏก็ให้เฝ้ารู้ไปอย่าหาทางดับหรือแก้ไขเวทนานั้นเวทนาเองก็อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษ์ให้เฝ้ารู้ไปจนเห็นไตรลักษ์ด้วยเหตุนี้เอง สำนักที่สอนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงมักจะเน้นที่ความอดทนอดกลั้นต่อเวทนาและปฏิบัติแบบยอมตายเพื่อจะได้รู้ความจริงของเวทนาแล้วปล่อยวางเวทนาได้ 9.7 จะเห็นได้ว่าผู้เขียนให้ความสำคัญกับการตามรู้อิรยาบถ ท, ที่ไม่ได้จองใจสร้างขึ้นมาแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้เขียนปฏิเสธการปฏิบัติที่จงใจสร้างอิริยาบถขึ้นมาก่อนหรือปฏิเสธการปฏิบัติตามรูปแบบดังนั้นผู้ใดต้องการเดินจงกรมในรูปแบบหรือนั่งในรูปแบบก็ทําไปเถิดครูบาอาจารย์เคยสอนว่ารูปแบบของการปฏิบัติก็เหมือนกับราวสะพานให้อาศายัยเกาะในยามที่ยังเดินข้ามสะพานได้ไม่กล่อง เมื่อเดินคือเจริญสติคล่องแล้วก็ไม่ต้องอาศัยราวสะพานแต่ผู้ที่จับราวสะพานก็ควรตระหนักว่าถ้าจับราวสะพานแบบไม่ยอมปล่อยมือก็ข้ามสะพานไม่ได้เหมือนกันดังนั้นไม่ควรให้ความสำคัญกับรูปแบบของการปฏิบัติมากกว่าเนื้อหาของการปฏิบัติซึ่งได้แก่การเจริญสติอย่างถูกต้องได้ในทุกอิริยาบถ แม้ผู้เขียนเองก็มีการปฏิบัติในรูปแบบเหมือนกันเช่นเมื่อเจริญสติในอิริยาบถนั่งจนเมื่อยแล้วก็ลุกขึ้นเดินเจริญสติต่อไปแต่การเดินทุกอย่างไม่ว่าเดินจงกรมกลับไปกลับมาหรือเดินไปทากิจธุระอื่นๆผู้เขียนก็เดินในลักษณะเดียวกันคือเดินเจริญสติโดยไม่ได้ดัดแปลงท่าเดิน เพราะผู้เขียนมีความเห็นส่วนตัวว่าผู้ปฏิบัติควรฝึกสติให้ไหวขึ้นไม่ใช่พยายามหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเช่นเดินช้ามากๆเพื่อให้สติที่เชื่องช้ารู้อารมณ์ได้ทันนอกจากนี้การหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงหรือการกำหนดขั้นตอนการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นยังเป็นภาระกับจิตและง่ายเหลือเกิน ที่ผู้ปฏิบัติจะหลงเพ่งรูปยิ่งกว่าการตามปรู้รูปตามความเป็นจริงแต่ก็ดังที่กล่าวแล้วว่าผู้ใดมีอุบายอย่างใดที่เห็นว่าทำแล้วสติสัมปัญญะดีขึ้นก็ทำไปเถอะเพียงแต่ผู้เขียนไม่ถนัดในเรื่องอุบายของการปฏิบัติเท่านั้นเอง 9.8 การรู้อิริ ย, บยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เจริญสติทั้งหลายกล่าวคือผู้ที่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในอิริยาปถบัพภะและสัมปชัญญะบัพภะนั้นก็มีหน้าที่จะต้องตามรู้อิริ ย, บยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยกันอยู่แล้วส่วนผู้ที่เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานและ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ไม่ควรทิ้งการรู้อิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยเสียทีเดียวเพราะเมื่อใดไม่มีกำลังพอที่จะเจริญสติรู้นามได้ก็จำต้องหันมาระลึกรู้รูปคืออิริยาบถใหญ่และอิริยาบถ ย, ย่อยอันเป็นอารมยาไปก่อนพอจิตมีกำลังแล้วจึงกลับไปเจริญสติรู้นามได้อีก 9.9 แม้จะเริ่มจากการรู้อิรยาบทใหญ่และอิรยาบทย่อยแต่เมื่อจเจริญสติชำนิชำนาญดีแล้วในที่สุดผู้ปฏิบัติจะสามารถจเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือรู้ทั้งรูปและนามได้เช่นกันการจเจริญสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในเบื้องต้นจึงคล้ายกับการหัดว่ายน้าบางคนหัดในสระว่ายน้าบางคนหัดในคลองบางคนหัดในแม่น้า แต่เมื่อว่ายน้ำชำนาญแล้วเจอสระเจอคลองเจอแม่น้ำหรือเจอทะเลก็ว่ายน้ำได้ทั้งนั้นแท้จริงในภูมิมนุษย์อย่างพวกเรานี้ย่อมมีทั้งรูปและนามอยู่ด้วยกันเราจะเลือกรู้รูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดไปไม่ได้เมื่อรู้รูปแล้วก็ต้องรู้นามเมื่อรู้นามแล้วก็ต้องรู้รูปเช่นเมื่อตากระทบรูป ก็ต้องมีปัญญารู้นามเห็นคือจิตซึ่งพร้อมจะหลงไปเป็นเราเห็นส่วนผู้รู้นามก็หนีรูปไม่ได้เพราะรูปเองก็เป็นที่เกิดของนามหลวงปู่ดูลัตตุโลจึงเคยสอนว่าเมื่อตาเห็นรูปดูจิตเมื่อหูได้ยินเสียงดูจิตเมื่อใจคิดนึกดูจิตเพราะจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางตา หูจมูกลิ้นกายใจและกิเลส ก, ก็แฝงตัวขึ้นมาในจิตภายหลังการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันหนึ่งขณะใดรูปชัดก็รู้รูปขณะใดนามชัดก็รู้นามขณะใดจิตชัดก็รู้จิต ไม่ใช่นักดูจิตจะต้องเพ่งใส่จิตตลอดเวลาเช่นเดียวกับผู้รู้กายก็อย่าเพ่งหรือตรึงความรู้สึกไว้ที่กายให้สักว่ารู้กายรู้จิตไปอย่างเบาเสบายสบายจึงจะใช้ได้เพราะผู้เพ่งจิตก็มักจะเจ็บป่วยทางจิตผู้เพ่งกายก็มักเจ็บป่วยทางกายเช่นคอคล็ดหลังยอกและตัวแข็ง เป็นต้น 9.10 ขอกล่าวถึงการปฏิบัติด้วยการรู้รูปเพียงเท่านี้ท่านใดสนใจก็ขอให้แสวงหาครูบาอาจารย์หรือสำนักปฏิบัติที่ชอบใจ อ, อเถิดแต่ผู้เขียนขอฝากข้อคิดไว้เพียงสองประการคือหนึ่งให้ตามรู้รูปไปอย่างสบายๆอย่าเพ่งรูป หรือจงใจตรึงความรู้สึกไว้ที่กายตลอดเวลาเพราะกลัวจะขาดสติจนเกิดอาการเกรงไปหมดทั้งกายและจิตหลายคนถึงกับบาดเจ็บและรักษาอย่างไรก็ไม่หายถ้าไม่เลิกตรึงความรู้สึกไว้ที่กายผู้ปฏิบัติพึงรู้อาการทางกายไปอย่างธรรมดาธรรมดาเท่านี้ก็พอแล้วและ 2. พึงระมัดระวัง อย่าให้ตัญหาแฝงตัวเข้ามาบงการการปฏิบัติโดยรู้ไม่เท่าทันเพราะจะเกิดความทุกข์ขึ้นตลอดสายของการปฏิบัติเนื่องจากตัญหานั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ถ้าจงใจทำอิริยาบถโดยรู้ว่าจงใจทำก็ไม่มีปัญหาอะไร การเจริญวิปัสนาเมื่อใจรู้ธรรมารมที่เป็นนาม 10.1 การรู้ธรรมารมที่เป็นนามต้องมีองค์ประกอบ3ประการทำนองเดียวกับการรู้อารมณ์อื่นๆคือต้องมี 1. อายตนะภายนอกคือนามได้แก่จิตและเจตสิก 2. อายตนะภายในคือใจ หรือมานายตนะะซึ่งเป็นเครื่องมือในการรู้นามและ3มโนวิญญาณจิตหรือนามเห็นคือความรับรู้อารมณ์ทางใจเพื่อไม่เกิดความสับสนเกี่ยวกับความหมายของจิตมโนหรือใจและวิญญาณผู้เขียนของกล่าวโดยรวบย่อว่าการเจริญวิปัสสนาเมื่อใจกระทบธรรมมารมที่เป็นนามธรรมนั้น มีองค์ประกอบที่เป็นนามล้วนๆกล่าวคืออารมณ์ที่ถูกรู้ก็เป็นนามคือจิตและเจตสิกส่วนธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็เป็นนามคือจิตและในเวลาปฏิบัตินั้นหากหนึ่งมีเราอยู่ที่ไหนก็ให้รู้ที่นั้นหรือสองถ้าสติระลึกรู้อะไรก็ให้รู้สิ่งนั้น 10.2 ตัวอย่างเช่นขณะที่มีความโกรธเกิดขึ้นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าเราโกรธส่วนผู้ที่ปฏิบัติให้รู้ที่ความรู้สึกโกรธจะพบว่าความโกรธเป็นเพียงนามหรือเจตสิกโกรธไม่ใช่เราโกรธและเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะเห็นต่อไปว่า ความโกรธเป็นนามาเจตสิกคือเป็นสิ่งที่เข้ามาประกอบจิตส่วนจิตเป็นธรรมชาติที่ไปรู้ความโกรธ เ, เท่านั้นดังที่พระสูตรมักกล่าวว่าเดิมจิตประพัสสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่จอนมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นชัดว่าสิ่งที่ไปรู้ความโกรธเท่านั้นเป็นนามหรือจิตรู้ไม่ใช่เรารู้ เป็นการรู้เท่าทันเจตสิกบ้างรู้เท่าทันจิตบ้างว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นต้น1ิบกล่าวโดยสรุปเมื่อมีความรู้สึกตัวอยู่นั้นย่อมรู้นามคือจิตได้คือหนึ่งจิตรับรู้อารมณ์ทางตาก็รู้ 2. องจิตรับรู้อารมณ์ทางหูก็รู้ส จิตรับรู้อารมณ์ทางจมูกก็รู้ 4. จิตรับรู้อารมณ์ทางลิ้นก็รู้ 5. จิตรับรู้อารมณ์ทางกายก็รู้ 6. จิตรับรู้อารมณ์ทางใจก็รู้ทั้งหกข้อนี้คือการรู้ตัวสภาวะของจิตและรู้ได้ว่า 7. จิตจะเกิดทางตาหู จมูกลิ้นหรือกายก็เลือกไม่ได้เพราะมันเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วก็ดับสลายไปในฉับพลันนั่นเองจะรักษาให้คงอยู่นานๆก็ไม่ได้ 8. จิตที่เกิดทางใจนั้นจะเกิดเป็นกุศลหรืออกุศลก็เลือกไม่ได้เพราะมันเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นจิตจะเผลอ เขาก็เผลอห้ามก็ไม่ได้และจะสั่งให้เขาดับก็ไม่ได้จิตจะมีสติเขาก็มีสติสั่งเขาไม่ได้และจะรักษาเขาไว้ก็ไม่ได้แต่จิตที่ทำงานทางใจจะเกิดต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นและกายทั้งสองข้อคือ7กับ8นี้คือการรู้ความจริง เกี่ยวกับจิตและรู้ได้ว่าก้าบางคราวจิตก็ยึดเกาะ อ, อยู่กับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโพทภะและธรรมารมบังคราวจิตก็แยกอยู่ต่างหากจากอารมณ์เมื่อใดยึดอารมณ์ด้วยอำนาจของตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโพทภะและธรรมารม เมื่อนั้นจะเกิดความทุกข์ทางใจเมื่อใดไม่ยึดอารมณ์เมื่อนั้นไม่ทุกข์ทางใจข้อนี้คือการรู้อริยสัจแห่งจิตเมื่อมีความรู้สึกตัวอยู่นั้นย่อมรู้นามคือเจตสิกได้คือหนึ่งสุขหรือโสมนัสมีอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้ 2. ทุกหรือโทมนัส มีอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้ 3. ความไม่ทุกข์ไม่สุขมีอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้ 4. ราคะมีอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้เป็นการรู้ตามหลังว่าราคะในจิตดวงก่อนมีอยู่แต่าราคะในจิตดวงซึ่งมีสติอยู่นี้ไม่มีและเห็นว่า ราคะไม่ใช่จิตราคะไม่ใช่เราและจิตก็ไม่ใช่เราด้วย 5. โทสะมีอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้เช่นเดียวกับข้อสี่ความหลงมีอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้เช่นเดียวกับข้อสีความฟุ้งซ่านมีอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้ เป็นการรู้ตามหลังเช่นกันแปดความหดหูมีอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้เป็นการรู้ตามหลังเช่นกันเมื่อตามรู้บ่อยเข้าก็จะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ทั้งแปดข้อนี้เป็นการรู้ตัวสภาวะและความจริงของเจตสิกเมื่อปฏิบัติมากเข้า ไหนที่สุดก็จะพบว่านามาจิตก็ไม่ใช่เรานามเจตสิกก็ไม่ใช่เราจะหาเราที่ไหนไม่ได้เลยอันหนึ่งผู้เขียนเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับการดูจิตไว่มากมายแล้วสามารถหาอ่านได้จากหนังสือวิมุตติปฏิปทาและวิถีแห่งความรู้แจ้ง ข้อสรุปเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนา 11.1 ก่อนจะเจริญวิปัสสนาต้องเตรียมความพร้อมของจิตให้จิตมีความรู้สึกตัวซะก่อนจิตจึงจะสามารถรู้อารมณ์รูปนามได้โดยหนึ่งไม่หลงเพ่งอารมณ์คือส่งจิตเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ด้วยความเกียดคร้านรักสงบรักสบาย 2. ไม่หลงคิดจนความคิดคือสมมุติบัญญัติปิดบังความจริงคืออารมณ์รูปนามหรืออารมณ์ปรมาทัตและ 3. ไม่หลงปรุงแต่งจิตและไม่หลงปรุงแต่งอารมณ์คือไม่เข้าไปแทรกแซงจิตและอารมณ์เช่นไม่หลงแก้ไขจิตที่ไม่ดีให้ดีไม่หลงแก้ไขจิตที่ไม่สงบให้สงบ ไม่หลงกฎคมการทำงานของจิตให้ช้าลงและไม่หลงบังคับการเคลื่อนไหวของกายให้ช้าลงเป็นตน้น 11.2 วิธีการสร้างความรู้สึกตัวทำได้สองทางคือ 1. สำหรับสมถะญาณิกก็ให้ทำสมถะจนถึงจตตทจานเมื่อจิตถอนจากจตตัจชานก็ให้สังเกตให้รู้จักความรู้สึกตัวไว้ พระป่าท่านมักเรียกจิตที่มีความตั้งมั่นและรู้สึกตัวว่าจิตผู้รู้ซึ่งในที่สุดก็จะต้องปล่อยวางจิตผู้รู้อีกชั้นหนึ่งและสองสำหรับวิปัสสนาญาณิกก็ให้มีสติระลึกรู้ความไม่ตั้งมั่นของจิตซึ่งหลงไปทางทวารทั้ง6เมื่อใดรู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงโดยไม่มีเจตนาจะรู้แล้ว จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นได้เช่นกันวิธีนี้ไม่ต้องใส่ใจเรื่องจิตผู้รู้เพราะจิตจะรู้ตัวอยู่ได้เพียงขณะสั้นๆเท่านั้นแต่ก็พอแล้วสำหรับการเจริญวิปัสสนา 11.3 ถัดจากนั้นเมื่ออารมณ์ปรากฏชัดทางทวารใดก็มีสติรู้เท่าทันอารมณ์นั้นด้วยจิตที่ตัต้งมั่น เป็นกลางแล้วจะมีสัมปชัญญะหรือปัญญาเห็นความจริงว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นโรคบ้างเป็นนามบ้างเป็นสิ่งที่มีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้และที่สําคัญก็คือไม่มีความเป็นเราอยู่ในที่ใดเลยคือหนึ่ง เมื่อตาเห็นรูปก็รู้ว่าตาและรูปไม่ใช่เราและสิ่งที่เห็นรูปก็เป็นเพียงจิตหรือนามเห็นไม่ใช่เราเห็น 2. เมื่อหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าหูและเสียงไม่ใช่เราและสิ่งที่ได้ยินเสียงก็เป็นเพียงจิตหรือนามได้ยินไม่ใช่เราได้ยินส เมื่อจมูกได้กลิ่นก็รู้ว่าจมูกและกลิ่นไม่ใช่เราและสิ่งที่ได้กลิ่นก็คือจมูกหรือรูปได้กลิ่นไม่ใช่เราได้กลิ่น4เมื่อลิ้นได้รสก็รู้ว่าลิ้นและรสไม่ใช่เราและสิ่งที่รับรสก็คือลิ้นหรือรูปได้รสไม่ใช่เราได้รสห เมื่อกายกระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็รู้ว่ากายและสิ่งที่มากระทบเป็นเพียงธาตุไม่ใช่เราและสิ่งที่กระทบกับธาตุเหล่านั้นก็คือกายหรือรูปกระทบไม่ใช่เรากระทบและ6เมื่อใจรู้ธรรมารมที่เป็นรูปก็รู้ว่ารูปไม่ใช่เราและเมื่อใจรู้ธรรมารมที่เป็นนาม ก็รู้ว่านามไม่ใช่เราและรู้ว่าผู้ที่รู้รูปนามนั้นคือจิตหรือนามรู้ไม่ใช่เรารู้และจิตก็ไม่ใช่เราด้วย 11.4 เมื่อจเจริญวิปัสสนามากเข้าก็จะถอดถอนความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นเราลงเสียได้เพราะแท้จริง รูปนามไม่ใช่เรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เพราะหลงในความคิดนึกปรุงแต่งอันเป็นสมมุติบัญญัติหรือภาพลวงตาจึงเกิดความสำคัญผิดว่ารูปนามเป็นเราและเมื่อเจริญวิปัสสนาต่อไปอีกจนรู้ทุกหรือรูปนามแจ่มแจ้งแล้วตัณหาหรือความทยานอยากของจิตย่อมถูกละไปโดยอัตโนมัติ ปัญญาสามารถถอดถอนความยึดถือในรูปนามลงเสได้ความทุกข์เพราะตัณหาอุ ป, ปาทานก็เป็นอันยุติลงเหลือเพียงความทุกข์ตามธรรมดาของขันเมื่อสิ้นขันวันใดก็เป็นอันสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่เพียงนั้นสภาวะที่ดับตัณหาและสิ้นขันนั่นแหละคือนิพพาน 11.5 การเจริญสติที่กล่าวมานี้ครอบคลุมการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสนาทั้งปวงคือ 11.5.1 การมีสติเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นและลิ้นกระทบรสใช้เจริญธรรมาดุปัสนาสติปัฏฐานบางอย่าง 11.5.2 การมีสติเมื่อกายกระทบโพธพิภพใช้เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในอาาปานะบ พ, พะและธาตุมณสิการะบ พ, พะคือธาตุดินไฟลมและใช้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางอย่าง 11.5.3 การมีสติเมื่อใจกระทบธรรมารมที่เป็นรูป ใช้เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในอิริยาบถบัพะสัมปชัญญะบัพะและธาตุมณสิการะบัพะคือธาตุน้ำและใช้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางอย่าง 11.5.4 การมีสติเมื่อใจกระทบธรรมารมที่เป็นน้ำใช้เจริญเวทนาานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในส่วนที่เป็นนามดังนั้นถ้าสามารถเจริญสติได้เมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6กก็จะสามารถเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาได้ทุกอย่างแม้เบื้องต้นจะเจริญสติปัฏฐานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เบื้องปลาย ก็จะสามารถเที่ยวไปในปัตถานทั้ง4ีได้เช่นเดียวกัน